แล้วถามว่าคำพีนี้ท่านทําไมท่านจึงมาพระตถาคาจารย์ทําไมท่านมารวบรวมละ่ะท่านบอกว่าข้าพเจ้าอันท่านพุทธศีหะคือพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพุทธศีหะศีหะก็คือราชสีนะผู้แก ล, กล่าพระพุทธศีหะรูปนี้เนี่ยโดยปกติเป็นผู้ยินดีในพระสัตยธรรมโดยเคารพอันคุณมีศีลเป็นต้นบรรดาใจเเอ า, เอาหมายนะ พระพุทธสีหะเนี่ยปกติพื้นเพของท่านแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเคารพในพระธรรมมากพระพุทธสีหะเนี่ยที่ท่านเคารพเนี่ยทำไมท่านเคารพเขาเรียกว่าธรรมคารวตาอะไรชื่อของท่านก็บอกว่าพุทธสีหะเขาเรียกว่ากล้าเยี่ยงพระพุทธเจ้าเลยนะสีหะก็ประกาศถึงลักษณะของผู้แกล้วกล้าเขาบอกเป็นผู้ที่แกล้วกล้าท่านเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เป็นผู้หนักในพระธรรมจริงๆ และเป็นผู้ยินดีในพระสัตธรรมคือยินดีในโพธิปัจขยธรรมยินดีในปริยัติสัตยธรรมปฏิบัติสัตธรรมแล้วก็โลกุตระสัตธรรมเนี่นะแล้วท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสุตะมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากมายเนี่ยนะพระผู้เรียบเรียงคำภีพุทธวงศ์เนี่ยท่านบอกว่า ท่านพุทธสีหะเป็นคนบรรดาลใจแปลว่าเป็นคนขอร้องอ้อนวอนเพราะฉะนั้นอาศัยที่ท่านพระพุทธสีหะเนี่ยนะอ้อนวอนอย่างนี้ยข้าพเจ้าจักเริ่มพันานาขยายความคัมภีร์พุทธวงศ์คัมภีร์พุทธวงศ์เนี่ยพระผู้เรียบเรียงเนี่ยชื่อว่าพระพุทธทะัตต์ทัตต์เนี่ยแปลว่าให้พุทธาแปลว่าพระพุทธเจ้าให้มาวัางนั้นอนะ่ะพระพุทธเจ้าให้มาก็คือเหมือนกับพระพุทธเจ้าส่งมาเกิดว่านั้นเถอะ ท่านเป็นพระเถระยุคเดียวกันกับพระพุทธโคสาจาร์เนี่ยนะเป็นยุคเดียวกันแล้วก็สองรูปเนี่ยถ้าจําไม่ผิดท่านพบกันกลางทะเลอันนตอนที่พระพุทธโคสาจารย์เนี่ยไปสีลังกาพระพุทธทัตตะเนี่ยจากสีลังกามาอินเดียเนี่าานยนะก็เจอกันกลางทะเลว่างั้นท่านก็ได้สนทนากันมันพระพุทธทัตตะเนี่ยนะก็เป็นรูปเดียวกันที่แต่งคำพิยาพิธรร ม, มาวตาลนะพิธรา ม, มาวตาล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 ก็การพันณนนาพุทธวงศโดยสังเขปคือโดยโดย่อนี้อาศัยทางบาลีที่มาจากสํานักมหาวิหารละโทษคือการปะปนกันเสียจากเป็นสาระก็คือรวบรวมเอาแต่เรื่องที่เป็นสาระเท่านั้นเขาบอกว่าการเรียบเรียงคัมภี์เนี่ยเรียบเรียงตามอะไรถามว่าถือเอาอะไรเป็นหลักถามว่าถือเอาแต่อย่างสมัยนี้ก็อ้าง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 โลหะประสาทเนี่ยนะซากโลหะประาสาัทมีแต่เสาหินปักโดเดยอยู่เป็นฟันเสาแล้วก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ซ้ายมือของของโลหะประสาทมีสุวรรณมาลิกาเจดีย์อยู่ขวามือเนี่ยนะองค์ใหญ่มากเนี่ยนะออกพรรษาจะเอา้าไปหอมละนี่ะก็เขบอกว่าถือเอาตามสํานักนั้นะเป็นหลักเหมือนกันนะสำนักนั้นตรงนี้ไปก็เลยแต่เสาอย่างว่านะอาดีตเออคราวล่วงกาลผ่านไปก็อภินิจาวตสังขาราก็มีอะไรนี่แต่ว่าสรุปว่า การเรียบเรียงคำพีตามเนี่ยอะไรที่มันเลอะเทอะนะรกรุงรังอะไรที่มันมีพิษมีภัยมีทุกข์มีโทษเอาออกไปเหลือเอาแต่สาระเพราะว่าคำว่าสาระหมายถึงอะไรสาระหมายว่าไม่มีข้อผิดข้อพลาดหรือสิ่งใดที่เป็นสาระทาให้ผู้ศึกษาได้รับสาระไปด้วยพระธรรมที่เป็นสาระทาให้เจริญด้วยคุณธรรมที่เป็นสาระเมื่อฟังธรรมแล้วศีลสาระสมาธิสาระ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 เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อลอยบาปทางกายลอยบาปทางวาจาและลอยบาปทางใจมันก็ลอยได้จริงๆนะเพราะเขาคิดกันเป็นอสงไขยอสงไขยเขาคิดชีวิตกันยาวๆมากยาวเป็นหลายๆกลับหลายๆแสนกลับหลายๆอสงไขยกลับแล้วใครจะกล้าไปทําชั่วทําชั่วแล้วมันจะไปไหนเนี่ยนะ ก็เหมือนว่าวางกับดักให้ตัวเองไม่รู้กี่พบกี่ชาติต่อไปอย่างเราฆ่าตัวเองหนึ่งฆ่าคนอื่นหนึ่งครั้งเนี่ยนะวางกับดักเพื่อให้วางให้ตัวเองอถูกฆ่าต่อไปไม่มีสิ้นสุดต่อไปในอนาคตฉันใดหรือบาปอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําสอนเหล่านี้ทําให้มันลอยบาปออกไปได้เรียกว่าอะไรกรรมสโกโกมหิสิ่งใดที่ทําข้าพเจ้าก็จะรับสิ่งนั้นเอา้าทําไมไม่เลือกทาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองเพราะจะได้รับสิ่งดีๆในตัวเองเนี่ยนะ พันก็บาปประธรรมก็ถูกกำจัดออกไปมนทินใหญ่ราคะโทสะโมหะก็ถูกทําลายออกไปเห็นความเป็นไปของสังสารวัตที่มันไม่มีจบมีสิ้นจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะรวบรวมคุณธรรมเพื่อการตรัสรู้อริยสัจธรรมจะได้ออกจากวัตฏทุกเพราะฉะนั้นสรุปว่าคำพีใดเนาะที่ฟังแล้วเอ่อที่สมควรแก่การฟัง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 ความสุขทั้งหลายก็จะเจริญขึ้นเท่านั้นความพ้นจากทุกก็คว่าความทุกก็จะระ ง, งับดับศูนไปเท่านั้นมันก็เลยเตือนว่าขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ประกอบอยู่ในสมาธิโดยเคารพละความฟุ้งซ่านไม่มีจิตเป็นอื่นจงตั้งโสดประสาทดังภาชนะทองรองรับสดับมัทุร่คาคำพูดที่หวานประดุลน้ำพึ่งของขา้าพเจ้า ผู้กำลังกล่าวพันธนาขยายความกันบอกว่าให้สาธุชนคนดีทั้งหลายประกอบด้วยสมาธิก็แปลว่าตั้งใจให้ดีนะให้ตั้งไว้ด้วยอนนาิชชาอภัยาบาทและปัญญาเนี่ยนะมันมโนกรรมนี้ให้ดีเลยนะอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้กามวิตกกําเริบอย่าให้พยาบาทวิตกกรรเริบก่อกวนอย่าให้วิหิงสาวิตกก่อกวนให้ตั้งอยู่ในมโนกรรมอันบริสุทธิ์ให้จิตตั้งมั่นนนะให้จิตตั้งมั่น เ <Elsa. S 2> รีว่าย่ามีใจเป็นอื่นนะนะเพตอนนี้เราฟังเรื่องของพระพุทธเจ้ามันยามีใจเป็นอื่นไปเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันถ้ า, ถ, าถ้าจะคิดถึงขอให้คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นเป็นหลักนะนะไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าจะคิดถึงคนอื่นก็ขอให้คิดถึงพระพุทธเจ้าถ้าจะคิดเรื่องอื่นก็ให้เรื่องพระพุทธเจ้ า, จาก็ให้วนๆอยู่ตรงนี้แนหะให้จิตใจตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะตั้งโสตประสาทให้หูเนี่ยเหมือนกับภาชนะทอง รองรับน้ําผึ้งนะรองรับน้ําผึ้งคือคําสอนในพุทธวงศ์เนี่ยนะของข้าพเจ้าผู้กำลังจะกล่าวพระพุทธตะท่านบอกว่าท่านจะกล่าวต่อไปก็ให้ตั้งใจฟังนะให้มองหูของตัวเองเหมือนภาชนะทองเท่าไหนเท่ากับแก้วจอกเดียวจุ่นน้าได้ช้อนหนึ่งช้อนส้อมช้อนชาช้อนขาวหรือพ้พีหรืออ่างหรือตุ่มหรือว่าเท่ากับทะเล ชนะใหญ่ขนาดไหนก็เลือกเอาก็แล้วกันจะขอตักตวงเอาเนี่ยรนะองรับเอาพระธรรมคําสอนเก็บไว้ในใจเท่าใดก็ถามใจเอาเราแล้วกันนะถามใจเราเอาว่าเราจะตักตวงให้ศรัทธานเนี่ยนะเจริญขึ้นในจิตในใจของเราขนาดไหนก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิที่เอาเนี่นะไม่ใช่ผ่านมาเวลเวลเสียงเวลเวลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเก็บอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะ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 ศรัทธาเป็นต้นเนยนะอย่าลืมว่าศรัทธาที่อยู่ในใจเรานี่แหละจะทําให้เราข้ามออกจากวัฏทุกได้ท่านบอกว่าก็กระถาพันณนาพุทธวงศควรที่มัจจะมัจจะแปลว่าคนที่จะต้องตายเป็นผู้รู้จะต้องละกิจอย่างอื่นเสียให้หมดเวลาฟังนะเวลาฟังเวลาพูดเขาบอกว่าจะต้องไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นให้ทิ้งเรื่องอื่นให้หมดถ้าจะฟังนะ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 คถาพันานาพุทธวงศ์จักเป็นสาระที่บอกว่าะละโทษคือการปะปนการจัดถือเอาแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยนะก็การกําหนดในพุทธวงศ์นั้นการกล่าวประเพณีประเพณีคือความสืบเนื่องวัฒนธรรมอย่างพิสดารเนี่ยนะโดยประเฉดมีกัปประเฉดเป็นต้นอันเกิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้า25พระองค์เพราะว่าเรื่องราวในพุทธวงศ์ทั้งหมดเนี่ยนะจะมีการขยายเป็น ว่าตัดเป็นประเิดประเิดออกมาแล้วเนี่ยประมาณทั้งหมดเนี่ยนะมีอยู่33บปริดเนี่ยนะมี 3, แบ่งเรียกว่าแบ่งเป็น33บประเิดที่เป็นเรื่องราวการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า25พระองค์ซึ่งเสด็จอุบัติในช่วงระยะเวลา4ีอสงไขยเศษอีกแสนกับนับถอยหลังจากวันนี้หรือกับนี้เป็นต้นไป เรื่องราวที่ถอยหลังออกไปเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้ง25พระองค์แล้วก็มีการมาแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นบทเรียกว่าปริเชตเนี่ยนะแบ่งเป็นปริเชตประมาณ33ปริเชตเนี่ยนะคำพีที่กล่าวลักษณะนี้เรียกว่าพุทธวงศก็พุทธวงศนั้นท่านกําหนดแบ่งเอาไว้เป็นปริเชตเรียกว่ามีการแบ่งแบ่งไว้ตรงนี้ยกมาก่อนปริเชตสําคัญจริงๆตรงๆเลยมีอยู่22ปริเฉตจริงก็ ท่านพิมพ์ไว้ข้างล่างยีเนี่ยนะก็คือ23่สิปริเชตปริเชตที่1บอกว่ากับปะปริเชตเนี่ยนะเรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องกับกับทั้งหลายว่ากับไหนคือคือกับที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกี่องค์คําว่ากับหมายว่ากับเหล่านั้นเนี่ยเป็นกับที่พระพุทธเจ้าเกิด1องค์หรือ2องค์หรือ3องค์หรือ4องค์หรือกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิด5องค์หรือว่านามปริเชตว่าพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นนั้นมีพระนามว่าอย่างไรโคต ก็คือพูดแบบสมัยใหม่เรียกว่านามสกุลน่ะนะว่าด้วยพระโคดทั้งหลายก็คือเผ่าไหนมางั้นแต่โคตหรือเผ่าก็ได้หรือนามสกุลก็ได้อย่างที่สี่เขบอกว่าชาติปริเชตว่าพระองค์เนี่ยมีชาติอะไรเป็นชาติพราหมณ์หรือชาติกษัตริย์เป็นต้นน่ะนะในเมืองที่พระองค์เกิดนเนี่ยนะเมืองอะไรพระนครนเนี่ยชื่ อ, อนครนอะไรปิตุปริเชตพระพุทธบิดาพระองค์ชื่ออะไรมาตุปริเชตพระพุทธมารดาพระนามว่าอย่างไร โพธิลุกขะปริเชตต้นไม้ที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นต้นไม้ชื่ออะไรต้นไม้ประเภทใดธรรมจักกับปวตนะปริเชตการประกาศพระธรรมจักรมีผู้ฟังเท่าไหร่บรรลุแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะอภิสมัยะปริเชตการตรัสรู้ของพุทธสาวกทั้งหลายเนี่ยมีการตรัสรู้แต่ละครั้งเนี่ยตรัสรู้เท่าไหร่สาวกสนนิบาต การประชุมพระสาวกเพื่อแสดงโอวาทปาติโมกเป็นต้นเนี่ยมีสาวกสนิบาตการประชุมสาวกกี่ครั้งอัครสาวกปริเชศว่าด้วยพระอัครสาวกชื่ออะไรอัครสาวกข้างซ้ายอัครสาวกข้างขวาชื่ออะไรพุทธอุปถากปริเชศว่าอุปถาอ่ามีชื่อว่าอย่างไรส่วนอัครสาวิกาปริเชศว่าอัครสาวิกาข้างซ้ายข้างขวานะสาวกผู้หญิงอ่านะชื่ออะไรเป็นอย่างไร บริวารภิกขุปริเฉดว่าภิกษุที่เป็นบริวารโดยปกติติดตามพระองค์เนี่ยมีกี่รูปรังสีปริเฉดก็คือพุทธรังสีที่ออกจากพระวรากายโดยปกติเนี่ยออกไปเท่าไหร่เนี่ยนะหรือสรีระปริมาณปริเฉดว่าขนาดของพระพุทธส리 ร, ระเนี่ยสูงเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะเช่นสูงกี่ศอก8ศอก16ศอกหรือว่าเกือบ8ปดอกอะไรก็ว่าไปโพธิสัตตตาธิการะเปริเฉดก็คือการสร้างบารมีของ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 แล้วก็อายุปริเชตมาพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นเนี่ยมีพระชนมายุยืนนานเท่าไหร่แล้วก็ปริณิพานปริเชตว่าการปริณิพานของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มีรายละเอียดอะไรบ้างอันนี้ครับวาระที่มาในพระบาลีก็ยกมายี่สิบสามวาระยี่สิบสามปริเชตยี่สิบสามตอนเนี่ยนะส่วนวาระมากวาระอีกที่ที่ไม่ได้ยกขึ้นมานะแต่แต่ก็มีการกล่าวเอาไว้ก็คืออีก10ปริเชต สิบประชดก็คืออาคารวาสประเชดว่าด้วยการอยู่ครองเรือนว่าพระองค์นี้เป็นคารวาสอยู่กี่ปีครองเรือนอยู่กี่ปีแล้วก็ปราสาทัตรยะประเชศว่าปราสาทของพระองค์ทั้ง3มฤดูปราสาทนี้ใหญ่เท่าไรแล้วก็นาตกิจถีประชศก็คือพระองค์นี้มีสนมนักฟ้อนนันสตรีฟ้อนรําอยู่เท่าไหร่สมัยที่เป็นคารวาส อัครมเหสีปริเชก็คือพระองค์มีอัครมเหสีชื่ออะไรปุตตะปริเชพระองค์มีโอรสชื่อว่าอะไรเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยต้องเห็นหน้าพระโอรสก่อนจึงจะออกบวชเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาและก็ญาณปริเชพระองค์วันที่พระองค์ออกบวชนั้นออกบวช ด, ด้วยญาณอะไรเนี่ยนะด้วยญาณอะไรญาณ อ, อะไรที่เช่นพระองค์เนี่ยส่งม้าใช่ไหมส่งม้าออกบวชก็เรียกว่าญาณหรืออภินิ ค, คมนะปริเชว่าด้วย เหตุการณ์ที่อภินิษสกรมเหตุการณ์ในวันออกบวชมีอะไรบ้างนะประธานะประชิดเมื่อบวชแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่นานเท่าไหร่จึงได้ตรัสรู้อุปถากประชิดมีใครเป็นอุปถากบ้างเช่นว่าอุปถากชายอุปถากหญิงที่เป็นโยมะนะโยมอุปถาเนี่ยที่อุปถากพระพุทธเจ้าทั้งโยมผู้ชายโยมผู้หญิงเนี่ยใครบ้างมาอุปถากสุดท้ายก็วิหารประชิดวัดที่พระองค์อยู่ประจําเนี่ยวัดอะไร เรียว่าวิหารวิหารแต่ละแห่งที่พระองค์อยู่ประจำชเช่นพระเชตวันวิหารเป็นต้นเนี่ยนะแต่ครั้นแสดงวาระมากวาระนั้นตามมาตรฐานก็จะกล่าวโดยสังเขปในที่นั้นอันนี้เรียกว่ า, าวิธีจับประเด็นว่าให้ให้อยู่ทั้งหมดประมาณ33ประเด็นถ้าจับประเด็น33ประเด็นในการศึกษาพุทธวงศ์ก็จะเข้าใจอย่างกว้างขวางขึ้น น, นะไม่ใช่ว่าออเอเอพระพุทธเจ้าโกธัญญะก็โกนัญญสิ แต่ว่าแยกอะไรไม่ได้เลยพระองค์เป็นใครที่ไหนเมื่อไรอายุเท่าไร่ตัสรู้ยังไงพระองค์มีสนมชื่ออะมีมเหสีชื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยโอ้ถ้าถามเนี่ยบอกโอ้ไปเปิดเอากันแล้วกันอะไรพิมพ์ไว้ในหนังสือเล้อย่างงี้ยก็ก็ไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่นีนะก็หมายความว่าเจริญพุทธานุสติเป็นต้นก็ได้ไม่มากนะนะเพราะจิตใจโคจรเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธคุณได้น้อยทีนี้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 เช่นค ำ, คำถามที่หนึ่งบอกว่าพุทธวงศ์นี้ใครแสดงทงที่สองบอกแสดงที่ไหนสามแสดงเพื่อประโยชน์ให้ใครแปลว่าให้แสดงให้ใครฟังสี่บอกว่าแสดงเพื่อใครเพื่ออะไรแสดงทําไมเหมือนนเถอะห้าแสดงเมื่อไหรหกคําของใครที่ที่มารวบรวมแล้วก็สุดท้ายใครนําสืบมาครั้งกล่าววิธีนี้โดยสังเขป หมดก่อนแล้วภายหลังจะทําการปานานาเนื้อความแห่างพุทธวงศ์คือมามาทําความเข้าใจในคัมภีร์นี้ก่อนแล้วค่อยมาศึกษาเจาะลงรายละเอียดคําถามแรกที่บอกว่าพุทธวงศ์นี้ใครแสดงใครแสดงคัมภีร์นี้ได้สอบว่าพระตถาคตผู้สํารวจด้วยพระญาตคือพระองค์เนี่ยใช้พระญาตเนี่ยสำรวจพระธรรมเหล่านี้ทั้งหมดใช้ยานอะไรสํารวจใช้ยานอันไม่ติดขัดในธรรมทั้งปวง ที่เราเรียกว่าอนาวรณายานพระองค์นี้ใช้อนาวรณญ า, านสำรวจเนี่ยนะตรวจตราด้วยพร้อมกับสัพพัญยุตยานเนี่ยนะสำรวจตรวจตราพระพุทธวงค์ทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะใช้อนาวรณญ า, านสัพพัญยุตยานสำรวจตรวจตราพระธรรมเหล่านี้ก็จรงิงแต่พระองค์ก็ดํารงอยู่ด้วยทศพลายานยานที่เป็นกําลังเฉพาะพระองค์เนี่ยสิบประการ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 อย่างละเอียดละอ่อทีท่วนด้วยสัพพัญยุตยานด้วยอนนาวรณญ า, านพระองค์นี้ทรงอยู่ด้วยทศพลยานญานที่เป็นกําลังมีเวสารชยานพระองค์เนี่ยเป็นจอมทัพเนี่ยนะเป็นผู้กล้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นสัพพัญอยูย่และเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงคุณธรรมดังกล่าวนี่แหละแสดงพุทธวงศแสดงวงของพระพุทธเจ้าคนที่จะประกาศวงของใครว่าว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 ในในเขาบอกโอ้ที่ที่พระองค์มาทําอย่างเนี้ยพระองค์ปฏิบัติตามวงของพระองค์พระเจ้าสุทโทธทนะก็บอกว่าเออวงเราไม่เคยขอทานะกั้นวงของเราไม่มีถือกระเบื้องขอทานกินกันอย่างนี้หรอกอันนั้นวงของมหาบาพีตไม่ใช่วงของอาตมาภาพวงของอาตมาภาพเป็นพุทธวงเนี่ยนะเป็นวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นวงของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระทีปังกรเป็นต้นมา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 งดงามหน้าทัศนาแปลว่าไม่มีอะไรจะน่าดูกว่านี้อีกแล้วพระองค์เนีทรงแสดงณนะนิโครธารามมหาวิหารใกล้กรุงกระบิลพัฒน์มหานคระคที่เมืองกระบิลพัฒน์มหาคนครเมืองใหญ่มากเลยนะตอนนี้ก็เหลือแต่ปาาา่าหญ้าคาแต่ตุลาที่แล้วเห็นแต่ยญ้าคาเ น, นะ่ตอนนี้ก็น่าจะอาจจะเพิ่มยญ้าคาขึ้นมาอีกหน่อยอนะย่างนถ้าไม่ตัด่นะก็ อ, อย่างว่าอนิจจาวัฏสังขารายกันนะนะพูดถึงว่าที่ ตอนนั้นเนี่ยนะในที่เมืองกบินลพัฒนิโครธารามพระองค์ได้เนรมิต ร, รัตนจงกรมขึ้นพระองค์ก็เสด็จเดินจงกรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกําลังมองดูอยู่ด้วยสายตาที่ชื่นชมเต็มที่เนี่ยนะพระองค์ก็พระลีลาที่งดงามจริงๆขณะนั้ น, นพระองค์แสดงพุทธวงศ์คําถามที่สถามว่าพระองค์แสดงพุทธวงศ์เนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ใคร ตอว่าแสดงเพื่อประโยชน์แก่พระประยุรญาติประมาณ 82,000 แก่เทวดาและมนุษย์อีกหลายโกดด้วยกันนะ แ, แสดงเพื่อให้พระญาติรู้จักพระพุทธคุณแสดงเพื่อให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรู้จักพระพุทธคุณเพราะฉะนั้นจึงแสดงเพื่อประโยชน์แก่พระยุรญาติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามว่าแสดงเพื่ออะไรจริงๆอ่ะความต้องการของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยพระองค์ต้องการอะไร ทำไมจึงเอามาแสดงให้เขารอบรู้กันนะ่ะท่านบอกว่าแสดงเพื่อช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามจากโอคาทั้ง4คือแสดงเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายข้ามจากโอคากันดาร น, นะคือพระองค์เนี่ยมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายกําลังจมน้ํากันอยู่พระองค์ก็ช่วยแสดงพุทธวงซึ่งเป็นประดุดเรือนะซึ่งเป็นประดุดเรือเป็นประดุดแพให้สัพพะสัตว์ทั้งหลายที่กําลังจมอยู่ในโอคาเหล่านั้นนะ่ะ ขึ้นบนเรือบนแพคือพุทธวงศ์จะได้ข้ามออกจากภพกันดารข้ามออกจากวัดตะกันดาร น, น่ยนะข้ามจากฝั่งโลกิยะไปสู่โลกุตระเพราะนั่นคือวัตถุประสงค์ก็แปลว่าแสดงเพื่อให้เขากําหนดรู้ทุกลักษมูทไทยธรรมนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคซึ่งเป็นประดุดเรือประดุดแพให้ข้ามออกจากสังสารวัตรนั่นเองคําถามต่อไปคําถามที่5บอกว่า แล้วพระพุทธเจ้าแสดงเมื่อไหร่คือเวลาที่แสดงเนี่ยหมายคือว่าปีที่แสดงเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้ามีพระชนมาายุหลังจากตรัสรู้แล้ว45ปีใช่ไหมใน45ปีเนี่ยพระองค์แสดงปีไหนว่างั้นเถอะตอบว่าความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะประทับไม่ประจําอยู่20พรรษาแปลว่า20พรรษาแรกอยู่ไม่ประจ 20, ารํา20พรรษาแรกนะตั้งแต่ว่าปีที่หนึ่งตรัสรู้ จนถึงปีที่20ไม่มีประจำแม่แต่แห่งเดียวเพราะฉะนั้นที่ ใ, ใดๆเป็นที่ผาสุกพระองค์ก็เสด็จประจำอยู่ณที่นั้นนั่นแหละเช่นพนรพนรษาแรกพรนษาแรกพระองค์หลังจากประกาศพระธรรมจากกับปวตนะสูตรณป่าอิสิปตนะมรุกขายวันเนี่ยนะให้พรม18บดโกดเดิมน้ำอมะตะพร้อมกับพระัญญากลทัญญะพระองค์แสดงวันอาสาลหะบูชาวันวันเพ็ญเดือน